มีอเนกสงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองเป็นพระมหากามีไว้อย่างนั้นอันนั้นตำลาพูดใครเป็นคนรับรองตําลายกมือก็ได้รับรองตําลาจริงหรือหรือท่านรับรองคําพูดของท่านน่ต้องเอาอย่างนี้อีกด้วยนะ<อ>ผมคนหนึ่งรับรองตําลายกมือก็ได้ผมยกมือคนเดียวก็ได้ไม่เป็นผมรับรองตําลารับรองคําพูดของผมอีกด้วยทีนี้มผมรับรองอย่างนี้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 ผมเข้าใจผลนี้ดังนั้นคนอยู่นี่ทุกคนมีแล้วดังนั้นการตัดสินุ้ีรู้ทำที่จะทำให้พระเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นมีคนแล้วมีคนของพระเจ้าแล้วคันธามีอนแล้วก็มีในคนทุกคนที่ไม่จะไปงมงายกันให้มันมากมายหลายเรื่องก็เรางมกันอดี่ที่เราเราคำพูดเราไปงมกันตามตัวหนังสือเราก็เลยไม่ได้มาศึกษา ข, ของจริงเมื่อเราไม่ศึกษาของจริง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 แต่คนเรามันไปสนพนากขาเรื่องตายแล้วเกิดไหมเป็นอย่างนั้นบุญคืออะไรผีมีไหมม่นไปสนใจกันเรื่องนั้นแต่เรื่องทุกข์ไม่เคยสนใจเลยผมรู้เรื่องทุกข์นี้เมื่อผมอายุสี่สิบหกปีผมรู้จริงๆริับรองได้ผมยอมเสียสละชีวิตจริงๆขอให้ผมได้พูดผมจริงสิก็พอใจละพอใจเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสเขาจําเป็น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 อันนี้เรียกพักที่สองเห็นแล้วเข้าใจกลมโกงกลมโลกกลมหลงจะหายหน้าแยกไปทีเดียวให้ทําเหมือนแมวกับหนูคําพูดของผมหนูมาแม่ไม่จับอย่างแรงพ่อเปรียบเทียบอีกบทหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วผมคิดมันเร็วเตียยเหมือนกับน้าบ่าอขุดลงไปถุงน้ําเราต้องเอาขันวิทย์น้ำออกวิทย์แต่ว่คือความคิดอันนี้นะ่ะมันยิ่งคิดเรายิ่งตัด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 อันนี้เป็นวิธีอันหนึ่งบัด น, นี้คนไปถามผมเอ๊ะผมทํมากรรมฐานทําไมมันฟุ้งซ่านผมก็เลยบอกมันฟุ้งซ่านมันดีแล้วผมบอกอย่างนั้นทําไมว่าดีธรรมดาจะเป็นนักโมยเป็นเซมเตี้ยนซกคนเดียวเป็นไหมซกไม่เป็นมือคู่ตก็สู้ต้องซกได้ถ้ามันมีคู่ตก็สู้จะซกกับใครกกับผีมันซกไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่สู้กับคัวคิดตัวนี้เราไม่มีวันไม่มีเวลาจะเอาชนะควมคิดอันนี้ได้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 คำา่าเสียใจไปว่าตายไปแล้วของหลุดมือไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เนี่เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นคนที่รู้อยู่ในคําจํานั้นถึงจะสว่างขนาดไหนก็รู้แค่นั้นแหละดังนั้นวิปปัตนาจะเป็นการรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงรจริงแมะไม่เกี่ยวข้องกับสมหนันาก็ได้แต่ยังไงก็ตามจําเป็นต้องอาศัยรู้จําดังนั้นการทําบุญจื้อ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 ยังไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายให้เราเจริญจริงๆรนับรองได้ถ้าทําจริงจริงเอาสามปีแล้วผมยอมเสียตลาดที่พิธีจริงจริงยอมเสียจริงๆถ้าหากไม่รู้จริงๆรอ่ะอันนี้พูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาพูดลวบลัดตัดใจผมให้มันสั้นเพราะเวลาเดี๋ยวนี้ก็สองภูมบ้าเี้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 ควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้จุดนี้และผมเคยเปรียบอีกในหนึ่งเอาสำลีไปซุบ ไ, ได้ดายน้ำสำลีกับน้ำมันจุบเเร็วเราเอาน้ำบีบออกสำลีก็ผงเหมือนเดิมน้ำกับสำลีเป็นคนละเรื่องไม่ใช่เดียวกันสําใดสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่มันไม่มีเราก็เลยไม่รู้สิ่งที่มันมีดังนั้นขอให้ทา่านผู้ฟังทั้งหลายต้องศึกษาหลักพุทธศาสนาให้ถูกตรง จึงจะเป็นเมืองพุทธได้จริงถ้าเราไม่ศึกษาหลักพุทธศาสนาจะาเล่าว่าว่าพุทธศาสนาก็จริงจริงโดยสมมุติหนึ่งก็ดีนะจึงว่ามีสม ม, ญญ ม, มุติบัญญัติมีปรมัาบัญญัติมีอัถฐบัญญัติมีอริยะบัญญัติบัญญัติที่ญญข้อนี้ควรศึกษาให้รู้และควรปฏิบัติให้รู้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 เพราะท่านหลงหลงเรืยอโมหะโมหะเกิดขึ้นแล้วโลภะก็เอาซะโทสะก็เอาซะตามตัวนังคือว่าเป็นรากเง่าของอกุศลคือโทสะโมหะโลภะทำไมบัด น, นี้ตรงกันข้ามอะโทสะอะโมหะอะโลภะคือเราเห็นแล้่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้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 คนมีปัญญาน้อยพูดมาเองนียคนมีปัญญาน้าทุ่นยิ่งมันมากเหมือนกับใบไม้ในป่าพวกเรามาที่นี่เท่าไหร่ตัห้าร้อยคนนีห้าร้อยห้าร้อยคนผมเข้าใจว่าพวกมาที่นี่จำนวนห้าคนผมเข้าใจว่าเข้าใจในคำพูดนี้อย่างน้อยต้องร้อยคนผมเข้าใจอย่างนั้น ตอนไหนเขาก็จะแสดงทำให้พวกปัญจ้าวิชีต์ทงห้าเข้าใจคนเดียวข้อห้าคนฟังอันนี้ห้าร้อยคนจะไม่ได้ไม่ได้ถึงร้อยคนหรือโอ้มาก็เต็นทีแต่ห้าร้อยคนก็ต้องได้ร้อยคนสมัยนั้นน่ะ้าคนได้คนเดียวเนี่ยอันนี้ห้าร้อยคนต้องได้ร้อยคนเนี่ยรับรองจริงๆเรื่องนี้นี่แหละผู้คนจริงแปลว่าวมจริงมันเป็นวามไม่ตาย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 มหาวิหารจุฬาลงกรณ์มาเผยแผ่ธรรมะคําสอนของพระบดิดาเราเราต้องตั้งรับรองได้ต้องปฏิบัติให้มันได้จริงๆเราจึงเป็นลูกปรถามดได้จริงถ้าหาว่าเราไม่รับรองได้มันก็เป็นลูกศิษย์ไม่ไ ด, เไ ด, เเาาเด้เราต้องรับรองได้พ่อเราแม่เราพี่ปู่ย่าตายายของเราพูดแล้วเราต้องเชื่อฟังเรื่องศิลเรื่องศาสนาศาสนาผี